ขอการท่านอาจารย์เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่มาเทศเทศยากเพราะว่ามีเวลา25นาทีนะแต่ธรรมะจริงๆนะเทศให้ยาวก็ได้นะเทศให้สั้นก็ได้เหลือขับสองขับก็ได้ธรรมะจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องแหลกตลาดมหัศจัรย์อะไรหรอก เนเรื่องของตัวเราเองนะเราเรียนเข้ามาศึกษาเข้ามาให้ถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราให้ได้เรียนแล้วก็สิ่งที่เราจะได้มานะคือความพ้นทุกข์สิ้นเฉิงถ้าภาวนาดีเต็มที่เราจะพ้นทุกข์ถ้าภาวนาได้ตามลําดับลําดับไปแล้ทุกน้อยลงน้อยลงงั้นวัตถุประสงค์ของการภาวนานจริงก็คานาให้พ้นทุก ไม่ใช่ภาวนาะเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกแค่ดีมันก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างจะภ า, าะนะออวนาเอาความสุขมันก็สุขบ้างไม่สุขบ้างจะเอาความสงบมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเพาความดีความสุขความสงบยังเป็นของไม่เที่ยงนี่เราภาวานาเนี่ยเอาความรู้เอาความจริงเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตตัวเอง ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานัก็คือกายกับใจรูปนามพูดภาษาฟ้าเรียกว่ารูปนามพูดภาษาชาวบ้านเขาบอกเียนกายกับใจเรียนเข้ามาเพื่อให้เห็นความจริงของกายเรียนเข้ามาให้เห็นความจริงของใจการเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่พวกเราต้องศึกษาชาวพุทธต้องศึกษาให้เข้าใจ วิธีที่จะเรียนรู้ตัวเองวิธีเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าหากชาวพุทธเราไม่เรียนมีปั ส, สนากรรมฐานนนั้ศาสนาพุทธก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะศาสนาอื่นๆเขาก็สอนกันทางนั้นนะวิธีให้ทานเขาก็ให้ทานกันทางนั้นะศีลของเขาเขาก็มีการทําสมาธิศา ส, สนาอื่นเขาก็ทํา จุดที่ทําให้ศาสนาพุทธเราไม่เหมือนของคนอื่นก็คือการเจริญปัญญานี่มาเรียนรู้ความจริงที่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราละเลยเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานไปเนี่ยเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งเลยไม่คุ้มค่าที่พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่การจะเรียนให้เข้าใจหลักของวิปัสสนากรรมฐานก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องต้องเรียนให้เข้าใจก่อนต้องรู้หลักก่อน ถ้าเราไม่รู้หลักนะภาวนาผิดผิดถูกๆไม่ได้ผลออกนะหลักของการทําวิปัสสนากรรมฐานนะหลวงพ่อย่อๆลงมาให้ฟังง่ายๆนะยังง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะให้มีสตินะรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้เพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจคือไตรลักลษณ์การวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ก็คือการที่เราจะมาเรียนเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะมิปั ส, สนากมธรรมไม่ใช่การเรียนเรื่องกายเรื่องใจนะไม่ใช่เรียนแล้วก็ไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจถ้าเราเอาสติไปจ่ออยู่ที่กายเอาสติไปจออยู่ที่ใจรู้อะไรรู้กายรู้อะไรรู้ใจยังไม่ขึ้นมิปัสนากรรมเพราะฉะนั้นอย่างเรารู้ลมหายใจเนี่ยนะหายใจไปรู้ลมหายใจสงบไม่มีไปไหนเลย ยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานเราเดินจงกรมนะเห็นร่างกายนี้เดินนะเราไม่เผลอเลยเดินนะรู้สึกตัวตลอดเลยยังไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเราะฉนั้นการทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจแต่ต้องเห็นความจริงของกายของใจคือต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานนะว่าเราจับหลักตัวนี้ให้แม่นแม่นก่อนแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะดูกายดูใจเพื่ออะไร เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์เท่านี้เองนี้ก่อนที่เราจะไปสามารถเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยเราต้องพัฒนาเครื่องมือจิตเราต้องมีคุณภาพจิตเราต้องมีเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมนะเราไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้จับอันแรกให้แม่นนะไม่ใช่เห็นกายเห็นใจต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ถ้าเราเห็นใจรักเห็นกายเห็นใจนี้แสดงใจรักแล้วนะรู้จริงแล้วกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้เห็นมากเข้ามาเข้าใจจะคลายความยึดถือจะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจพอไม่ยึดกายไม่ยึดใจเราจะไม่ทุกข์อีกละทุกวันนี้ที่เราทุกข์นะเพราะเราไปหยิบฉวยเอากายเอาใจมาเป็นตัวกูของกูตัวเรานะไปยึดถือเทามาเป็นตัวเรา กายนี้มันต้องมีความทุกข์มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่บังคับอะไรไม่ได้จริงจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีนะห้ามชั่วหรือห้ามทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าหากเราไปมุ่งภาวนานะผู้มุ่งจะไปบังคับมันนะไม่เห็นความจริงของมันเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะ การพัฒนาดูเพื่อให้เห็นความจริงของกายดูเพื่อให้เห็นความจริงของใจคือไตรลักษณ์ส่วนี้ต้องแม่นการที่จะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้ต้องพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือมีสองตัวไม่ได้มีเครื่องมือเยอะหรอกเครื่องมือตัวที่หนึ่งชื่อว่าสติเครื่องมือตัวที่สองชื่อว่าสมาธิถ้ามีสติและสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดปัญญาปัญญาก็คือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ ฉันถามว่าปัญญาคืออะไรปัญญาณรู้อะไรปัญญารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาถ้ามีปัญญายุ่งนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายปล่อยวางความยึดถือในใจต่อไปพอเราไม่ยึดถือกายนะร่างกายนี้แกร่ร่างกายนี้เจ็บร่างกายนี้ตายนะใจเราไม่เดือดร้อ น, นเพราะมันไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่ตัวเราของเราจิตใจเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรารู้ความจริงตรงนี้นะ เราก็ไปนั่งไปนั่งบังคับตัวเองบังคับทีไรก็เครียดทุกทีนะอยากดีก็ทุกนะอยากดีทุกไหมยอยากสุขทุกไหมยอยากสงบทุกไหมทุกทั้งนั้นเลยนะยแต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราวางวางไม่ยึดกายไม่ยึดใจกายก็เป็นทุกข์ไปตามเรื่องของกายไปจิตใจนั้นพ้นจากความทุกข์ไปในเครื่องมือสรามาพูดช่วงเครื่องมือบ้งนะเครื่องมือตัวที่หนึ่งชื่อสตินะเครื่องมือตัวที่สองชื่อสมาธิ สติไม่ใช่แปลว่าบังคับนะสติคือความระลึกความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายสติคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจะระลึกได้พูดง่ายๆไม่หลงไม่ใจลอยไม่เมื่อเมอไปพวกเรารู้จักเหม่อไหมรู้จักใจลอยไหมใจลอยรู้จักไหมใครใจลอยเป็นมากมีใครไม่ใจลอยเลยไหมมีไหม คนที่ไม่ใจลอยนานๆมีนะคือพวกที่ติดสมาธิเพ่งนิ่งอยู่เงี้ยรู้ลมหายใจก็นิ่งอยู่กับลมนะไม่ใจลอยไปไหนเลยนิ่งอยู่กับที่เลยแต่พวกนี้จะไม่มีปัญญาจะเพ่งอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาว่าไม่มีสมาธิที่ดีเป็นสมาธิแบบเพ่งๆ เ, เอาสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิแบบเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์กับสมาธิที่จิตตั้งมั่นรู้อารมณ์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังสมาธิสองชนิดอันนี้เอาสติก่อน สติเป็นความระลึกได้เป็นความรู้เท่ารู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในกายรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันคนในโลกนี้ลืมกายลืมใจคนในโลกนี้ที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะนับตัวได้เลยพระอริยะถึงขาดแคลนส่วนพวกที่หลงมากๆนะตายไปเป็นอะไรรู้ไหมมีโมหะมากๆเป็นอะไรเออเป็นเดราชานถูกเดราชานอยู่กันฝูงใหญ่นึกออกไหมเวลาคนหลงหลงอะ หลงกันเยอะเห็นไหมหลงกันเยอะคนรู้เนื้อรู้ตัวมีน้อยนะคนหลงหลงมีเยอะงั้นในโลกเนี้มันน่าสงสารคนที่รู้สึกตัวจริงๆนั้มีน้อยน้อยคนส่วนใหญ่เนี่ยตื่นเฉพาะร่างกายจิตใจนี่หลับฝันอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ตื่นตื่นเฉพาะร่างกายนะมาทํางานได้เดินได้เรียนหนังสือได้ทําอะไรต่ออะไรได้สารพัดทาธุรกิจก็ได้นมาหมุนกล้องโทรทัศน์อะไรนี่ทําได้หมดอะ่ะ นะแต่ใจจะตื่นหรือเปล่าใจกําลังฝันอยู่ฝันว่ากําลังถ่ายชอบทีวีอยู่อย่างเงี้ยนะหรือพวกเราเนี้ยถ้าขาดสตินะกําลังฝันอยู่ว่ามาฟังหลวงพ่อประโมทเทศนะจริงๆแล้วคนในโลกเนี้ยตื่นแต่กายใจไม่ตื่นนะเราจะต้องมาปลุกใจของตัวเองให้ตื่นขึ้นมาสติต้องมีนะต้องมีสติขึ้นมาสติเป็นความระลึกได้อะไรทําให้สติเกิด เนี่ยเราต้องเรียนนะอยู่ๆแล้วบอกเราจะตั้งสติจะตั้งสติตสตพูดเป็นเล่นไปได้ตั้งสติสติเป็นอนัตตาใครจะไปตั้งมันได้เราต้องทําเหตุของสติสติถึงจะเกิดเนี่ยชาวพุทธต้องรู้นะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกสตินี้ก็เหมือนการสัง่งให้มันเกิดมันไม่เกิดหรอกเพราะมันเป็นอนัตตาเราต้องทําเหตุของสตนะิเหตุของสติก็คือการที่จิตเนี่ยจดจําสภาวะธรรมได้แม่นยํา ภาษาบาลีเขาเรียกว่าทิระสัญญาถอถวงสติรเหลือทิระนะสัญญาสัญญ า, ญญาความจําได้ทิระก็คือคําว่าสติเนี่ยจำได้อย่างแม่นยําถ้าเมื่อไหร่จิตของเราจําสภาวะของรูปธรรมนา ม, มาทำได้แม่นสติจะเกิดเองเพราะมีเหตุให้เกิดละวนะไม่ใช่เราสั่งให้เกิดได้งั้นต่อไปนี้พวกเราต้องฝึกให้มีสตินะวิธีฝึกให้มีสติคือหักรู้สภาวะ ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกไว้ร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกไว้ร่างกายที่หายใจออกก็เป็นสภาวะอันหนึ่งร่างกายหายใจเข้าก็เป็นสภาวะอย่างหนึง่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกไปเรืยนะหรือว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอย่างนั่งนานๆมันเมื่อยรู้เลยความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นหัดรู้ไปนะนั่งตรงนี้เมื่อยก็ขยับตัวทีหนึ่งหายเมื่อยไปหน่อย อีกภาคหนึ่งก็เมื่อยอีกแล้วก็ขยับตัวอีกทิศขยับไปขยับมานะการที่เราเห็นความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นมาเรารู้หัดรู้ไปเรื่อยนะต่อไปพอร่างกายมันปวดมันเมื่อยนะสติอัตโนมัติจะเกิดนะเกิดเองเลยสติไม่ต้องสั่งให้เกิดนะเกิดเองเลยนะเพราะมันมีเหตุแล้วจิตมันจําสภาวะได้แม่นเช่นมันจําความปวดความเมื่อยได้แม่นนะพอมันปวดขึ้นมาปุ๊บสติระลึกได้เลยปวดแล้วนะปวดแล้วหรือสภาวะธรรมเช่น กุศลอะกุศลทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงเป็นสภาวะธรรมนะพวกเราหัดรู้จกักทุกคนรู้จักอยู่แล้วค ว, ความโลภความโกรธความหลงใครไม่เคยโกรธมีไหมไม่มีหรอกใครไม่เคยโลภมีไหมไม่มีนะใครไม่เคยหลงมีไหมไม่มียิ่งไม่มีใหญ่เลยเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตาหลงก็ตั้งแต่เกิดแล้วไอ้ที่จะรู้สึกตัวแทบไม่มีเลยเราหัดรู้ไปใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจลอยไปก็รู้ ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้ใจเป็นยังไงรู้รูปเดียวนะหัดรู้ใจตัวเองบ่อยๆต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจนิดเดียวเท่านั้นเองนะสติจ ะ, ะระลึกได้เลยเช่นขัดใจขึ้นมาขัดใจขึ้นมาแวบในใจนะเล็กๆขัดใจนิดเดียวเนี่ยสติะระลึกได้เลยเห็นความขัดใจปุดขึ้นมาแล้วนันะสติเป็นตัวรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจมันจะรู้ทันถ้ามันหัดรู้ หัดรู้บ่อยๆหัดรู้กายหัดรู้ใจดูมันทํางานไปเรื่อยๆนะดูสภาวะไปเรื่อยสติจะเกิดเองนี่ตัวที่หนึ่งนะมีสติอีกตัวหนึ่งคือตัวสมาธิสมาธินี่เป็นตัวอภัภพที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนเรียนมีแต่คนนั่งสมาธิได้ยินไหมไปที่ไหนก็ชอบนั่งสมาธิถามว่าเรียนเรื่องสมาธิอย่างก่อนจะนั่งไม่ได้เรียนหรอกสมาธิมีสองชนิดนะ สมาธิชนิดที่หนึ่งนะชื่ออารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิชนิดนี้ใช้ทําสมถกรรมฐานถ้าใครทําสมาธิชนิดนี้นะได้แต่ความสุขความสงบความดนะีได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นถามว่าดีไหมดีแต่ก็ดีในระดับของสมถกรรมฐานนะถ้าสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะคือตัวอารมณ์นั่นเอง จิตมันแนบแน่นอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างพวกเราหัดภาวนานะรหัดพุดโทโธจิตไม่หนีไปจากพุโทโธเลยนี่เรียกว่าได้อารมณุปนิชฌานเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไม่หนีไปจากลมหายใจแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเรียกว่าอารมณุปนิชฌานเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึกอารมณ์อย่างภาษาไทยนะ คมว่าอารมณ์ทางศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้จิตหมายถึงอะไรจิตหมายถึงธรรมชาติที่เป็นผู้ไปรู้อารมณ์เข้านะเป็นของคู่กันอารามานุวณิชานี่จิตจะสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะถ้าเราต้องการทําสมาธิต้องการทําความสงบนะเราหาอารมณ์ที่สบายคนไหนพุโทโธแล้วสบายเขมาพุโทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วสบายมารู้ลมหายใจนะคนไหนทําอะไรสบายเอาวันนั่นแหละ ดูท้องผ่องยุบแล้วสบายก็ดูท้องผ่องยุบไปจิตก็ไม่หนีไปซนไปที่อื่นนะจิตได้อารมณ์ที่ชอบใจจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์ น, นั้นไม่หนีพล่านพล่านไปหาอารมณ์โน้อนอารมณ์นี้จิตที่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์โน้อนอารมณ์นี้มันฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิชนิดอารมณูกันิชฌานนะในเพราะงั้นถ้าพวกเราต้องการฝึกสมาธินะเรามาเรียนกันสมาธิอย่างที่หนึ่งจิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะชนิดนี้เอาไว้พักผ่อน สมาธิชนิดที่สองนะชื่อลักคนูปนิชฌานใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้างมีไหมลัคนูปนิชฌานยกมือหน่อยยกมือนะอาพับที่สุดเลยลัคนูปนิชฌานผู้น่าสงสารนะถ้าเป็นคนน่าเสียใจไม่มีใครรู้จักเลยโนเนมลักคนูปนิชฌานเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จิตตั้งมั่นเห็นลักษณะคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ อารมณูปนิชฌานเนี่ยจิตสงบแนบแน่นอยู่กับตัวอารมณ์เช่นสงบอยู่กับลมหายใจสงบอยู่กับท้องพองยุบสงบอยู่กับเท้าสงบอยู่กับมือสงบอยู่กับคําบริกรรมนี้เรียกอารมณูปนิชฌานเอาไว้พักผ่อนรักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตไม่ได้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่จิตตั้งมั่นรู้อารมณ์ทั้งหลายที่ไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปจะเห็นเลยว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพรูบาจารย์วัดป่าท่านจะเรียกจิตชนิดนี้ที่มีลักขณูปนิชานนะว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะอย่างจิตของพวกเราเนี่ยจะเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันเลยฝันทั้งวันเนลยนะตื่นขึ้นมาก็ฝันนะฝันฝันเรียกฝันกลางวันคิดไปเรื่อยๆตอนกลางคืนก็นอนฝันความฝันกับความคิดนี่อันเดียวกันนะแต่ความคิดนี่คือฝันตอนตื่น ความฝันเนี่ยคือความคิดตอนหลับนะจิตขึ้นวิถีแบบเดียวกันนั่นแหละนี่เรามาฝึกให้ได้ลักคนูปนิชฌานนะวิธีฝึกเนี่ยจิตเ น, นี่ยจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นอารมณ์นะจะหมือนอารมณ์แสนอารมณ์ก็ได้ไหลามาไหลไปทุกอารมณ์ผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดเห็นไหมไม่เหมือนอารมณ์ ป, ปนิชฌานที่ทําสมถานะสมถานะั้นจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่คู่กันอย่างนี้ตลอดเลยนะเหมือนเหล่งปืนเลยนะจ้องนี้ อยู่แนบแน่นอย่างนี้นี่สมถะถ้าจะสมาธิที่ใช้ทําวิปัสสนาเนี่ยคนดูมันตั้งมั่นอยนี้อารมณ์นี่ไหลปรากฏการนะทางรูปธรรมปรากฏการของนามธรรมเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมาเคลื่อนไหวไปเรื่อยเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา นี่ปัญญามันอยู่ตรงนี้นะเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกอย่างเกิดดับเห็นมันไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะนี่เห็นอนัตตานะบังคับมันไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดจากเหตุนี่ยถ้าเราหัดสุดนะวิธีที่จะฝึกให้ได้อารัมมานูปนิชันเอาแบบโตแล้วเรียนรัตนะพวกเราอย่าไปนั่งทําสมาธิเลยท่าทางไม่ค่อยยอมทํำหน้าตาขี้เกียจเยอะ <c oughs> เอาวิธีง่ายๆเลยนะจิตปกตินะ ทับหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันเลยไม่ได้เป็นจิตผู้รู้นะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจิตจะเกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้นี่แหละคือจิตที่จะได้เรียกว่ามีลักษณปนิชานมันจะเป็นคนดูมันจะเห็นทุกอย่างผ่านหน้าไปเหมือนเรานั่งอยู่บนอัศจ ร, ริย์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราเป็นแค่คนดูนะงั้นเราคอฝึกนะวิธีที่ฝึกที่ง่ายที่สุดคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิด จิตของเราหลงไปคิดทั้งวันเนึกออกยังขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำนะก็หนีไปคิดทีหนึ่งฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดคิดอะไรคิดเรื่องที่ฟังบางคนเก่งกว่านั้นอีกคิดเรื่องงานตรวจจีนนะแล้วนี่คิดไปไกลเลยออกนอกห้องไปสังเกตไหมจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดนะสลับไปเรื่อยให้คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดไว ถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเมื่อไหรนะขนาดนั้นไอ้จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนี่ไม่ยากเลยเห็นไหมแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเราหลงคิตเราหลงคิ ด, าคดมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยรู้ว่าเราหลงไปคิดนะต่อไปนี้หัดมาสนใจนะจิตใจของตนเองจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าจิตหลงไปคิดเรารู้บ่อยๆแล้วก็จิตจะตื่นขึ้นมา พอเรจิต right ต <or> ื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่ตื่นอยู่เฉยๆมีสติรู้ลงที่กายมีสติรู้ลงที่ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจนะรู้ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นะทุกข์คือมันบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้อนาตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุหมวลเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ได้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะนั้นสรุปไม่ง่ายนะในเวลา25นาทีเหลืออีกหนึ่งนาทนะีมีสติรู้กายรู้ใจมีสติวิธีฝึกสติคือหัดรู้สภาวะนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูรู้อย่างเป็นกลางด้วย อะไรเกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นหลงยินดีนี่ไม่เป็นกลางแล้วให้รู้ทันว่าหลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมันยินร้ายรู้ว่าหลงยินร้ายกนะุศลเกิดขึ้นยินดีรู้ว่ายินดีอ่ากุศลเกิดขึ้นยินร้ายรู้ว่ายินร้ายรู้ลงไปตรงนี้อีกทีหนึง่งนะจิตจะเป็นกลางเสร็จแล้วเราก็เลยจะได้ครบสูตรตามที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต้องรู้ตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ไม่ไปบังคับมันนะ เราต้องการเห็นความจริงเราไม่ต้องการบังคับกายบังคับใจครบยี่สิบห้านาทีแล้วใช่ไหมบอกแล้วให้เพศนาทีหนึ่งก็ได้นะแต่ยังไม่เคยอ่ะตับไปว่ามีสิผล ค่ะและในวันนี้นะคะก็นับว่าพิเศษมากๆเลยค่ะก็คือทางรายการของเรานะคะจะเปิดโอกาสให้สาธุชนนะคะที่มารับฟังรายการกับเราที่นี่นะคะได้เปิดโอกาสซักถามพระอาจารย์ด้วยตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่านแรกเลยนะคะปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วจะค่ะแล้วก็ คิดว่าพอเห็นสภาวะธรรมพอสมควรอย่างเช่นเอฟังซีดีหลวงพ่อในรถนะเจ้าค่ะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆถ้าวันไหนฟังแบบสบายๆไม่ตั้งใจฟังอะค่ะอืก็กจะเห็นรู้<ด>สึก<ส>ว่ารู้สึกว่ามันพอคิดเรื่องอื่นแล้วก็จะเห็นว่ารู้ว่าตัวเองคิดอืแต่ก็จะฟังหลวงพ่อเทสไปรู้เรื่องๆนั่ไม่จําเป็นทีนี้พอจะกลับมาฟังหลวงพ่อเทสอีกก็ ก็ฟังไปเรื่ยๆแล้วก็ปล่อยปล่ตามสบายก็จะคิดเรื่องอื่นอีกแล้วก็จะเห็นว่าก็รู้ว่าคิดอีกครั้งเยอะนั้นน้อยไปนะของหนูมันฟุ้งแรงฟุ้งแรงต้องช่วยมันหน่อยจะไปรู้ตามธรรมชาติอย่างนั้นไม่พอหรอกต้องหาวิหารธรรมโอ้ต้องมีวิหารธรรมนะจะพูดโธไว้จะหายใจไว้อะไรก็ได้จะใช้ซีดีหลวงพ่อได้ไหมเจ้าค่ะใช้ c ีดีหลวงพ่อเดี๋ยวก็ดีไปคิดอีก ใช่คือต้องหาวิหารธรรมในกายหาในกายเราก็ได้นะพุโทโธไปก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้นะรู้ร่างกายที่ขยับไปเยื่อเคลื่อนไหวก็ได้ให้มีเครื่องรู้ไว้อย่างมีบ้านให้จิตอยู่ถัดจากนั้นพอจิตหนีไปจากบ้านี็รู้ทันไวๆนะไม่งั้นหนูจะหนีไปนานค่ะจะจหลงนานแต่ว่าหลงนานสมาธิไม่พอเพราะงั้นต้องต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะจิตจะได้เกิดสมาธิขึ้นมาต้องฝึกอสมถธามาก ยอย่างที่<ร>หลวง้อบอกนั่นแหละสมถะนะพุโทโธไปหายใจไปแล้ว ร, รู้ทันจิตไปจิตหนีไปเรารู้หนีไปเรารู้ในสุดจิตจะเชื่องไม่หนีได้สมถะทีนี้บางทีนั่งๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจิตมันหยุดไปแล้วมันก็แวบ แ, แ, แล้วมันก็กลับมาเนี่ยไหนลงผวางังไปอ๋อมันเป็นผ ว, นะวังเออนะเราทําสมาธิมีหลงผวังเป็นช่วงๆนั่นแหละมันเหมือนกับ อูดีๆเหมั น, ม, น, ม, นมันคล้ายๆกับเราดูทีวีแล้วทีวีก็ดับไปอ <TV S 1> ะค่ะทีวีดับนั่นแหละมันสติเราดับไปด้วยไอ้นั่นคือลงพวังใช่ไหมเจ้าคะ่ะอย่างนั้นไม่เอานะเสียเวลาอย่าไปลงไปเพิ่อ บ, บางคนลงไปแล้วไม่ปโปรอีกเลยชั่วโมงหนึ่งน <c oughs> <c oughs> คนอื่นบ้างนะครับกลับน้ารัศการ ค, ครับอ่าผมนั่งสมาธิแล้วมีช่วงหนึ่งได้ยินเสียงความคิดนะอือบแล้วก็ตอนแรกก็คิดเราได้ยินเสียงอะไรแปลก อล้หลังมาสังเกตเือมันเป็นเหมือนกาตะกรความคิดอืแล้วก็พอมาหลังๆได้ยินเสียงความคิดก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราคิดน่ ะ, ะไม่ใช่เรานั่นแหละเห็นมันไม่มีเรานะแล้วแล้วลอันนี้คือก็ให้ดูความคิดไปเรื่อยๆหรือว่าให้ ใ, ให้อยู่ใ้รู้ทันจิตไอ้ตัวควบมคิดไม่ใช่จิตนะเห็นไหมถ้าเรามัวไปหลงดูมันนะเราไม่ได้ดูจิตใจตัวเองต่อไปพอจิตมันคิดขึ้นมานะเราสังเกตเลยเออจิตมันคิดได้เองนะนั่นดูอย่างนี้นะ แต่รู้สึกว่ามันคิดเราไม่ชอบครับรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยดูเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ใช่ความคิดของเราครับทุกครั้งจะได้ยินแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดของเราอย่างนั้นแหละดูงั้นครับแล้วก็อ่ามีเวลาเราได้ยินเหมือนเสียงดับอะนะครับอืช่วงช่วงก่อนแรกๆเหมือนกับเสียงมันดับพร้อมกันอืพอต่อหลังจะรู้สึกว่ามันดับทีละข้างนะครับเสียงดับข้างที่ทุบขึ้ข้างค่อยดับตามไม่เป็นไรนะไม่สําคัญเท่าไหร่ ที่สําคัญก็คือรู้ทันใจของเราไว้ะถ้าเราเหมอบ น, นควายอยู่ที่หูเนี่ยจิตจะไปที่หูอีกจะไปเพ่งหูเราอย่าไปเพ่ ง, เพงใส่หูนะอยู่ที่ใจเพราะจิตหนีไปคิดหรือจิตหนีไปฟังนะรู้ทันมันแล้วก็พอไปฟังเกิดเอ๊ะมันดับทีละข้างนี่แปลกดีนฮะใจรู้สึกแปลกดีรู้ทันที่ใจเลยใจรู้สึกแปลกนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ทันที่ใจของเรา เท่าไรเรากิเลสเท่าไรเกิดที่ใจของเราเองกุศลทั้งหลายเกิดที่ใจของเราเองมรรคผลก็เกิดที่ใจของเราเองนะเรียนเข้ามานี่เรียนให้ถึงจิตถึงใจเราจะได้สาระแกนสารของการปฏิบัติถ้าเรียนอยู่ที่หูกิเลสไม่ได้อยู่ที่หูเน่ยไหมกุศลก็ไม่ได้อยู่ที่หูนะงั้นอาศัยแค่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอกระทบแล้วเนี่ยจิตก็เพื่มหมันไหวยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรขึ้นมารู้ทันลงที่จิตนี้นะ จะมันจะไปต่อได้แะ้วครับปกติผมเวลาปัสสาวะก็จะเจริญสติครับอืมแล้วก็อจจะไม่เจริญหรือ <laughs> ไม่ค่อยครับเออเออแตุ่จจระใช้เวลาเยอะนะครวรจะเจริญให้มากครับแล้วก็ยืนปัสสาวะแล้วเห็นเหมือนกับแสงอาทิตย์จับนะครับแล้วกพิสงสัยว่านั่นแหละย้อนรู้ทันจิตเลยจิตสงสัยนะอาการปรากฏเนี่ยนะนิมิตหมายใดๆไม่มีความสําคัญทั้งสิ้นเลย อะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้ามาให้ถึงใจตัวเองกิเลมนอยู่ตรงนี้ต่างหาก่ ะ, ะ ต, ต่อไปนี่หลวงพ่อต้องคุมเวลาไปเปไปเลยการนวดสการครับผมคือเอ่อผมก็ศึกษาทางธร ร, รมะมานะฮะนี่ก็คือแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาเรื่อยแต่ว่าความก้าวหน้ามันก็ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าผมควรจะฝึกแบบไหนดีครับจิตตั้งมั่นหรือยังล่ะ จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันเป็นบางขณะบางขณะมันก็เป็นผู้รู้บางขณะมันเองกลับลงไปเล่นเองเป็นผู้ปรุงซะเองให้รู้ทันนะอย่าไปลงไปคลุกนานของโยมอาจจะคลุกนานไปมั่งเลยพัฒนาช้าไม่ทันใจนี่ก็คือให้ดูจิตใช่ไหมครับรู้ทันนะจิตถลํำลงไปในอารมณ์รู้ทันจิตถลําเข้าไปในอารมณ์รู้ทันบ่อยๆะจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู แล้วจิตนี้เวลาที่จะรู้นี่รู้ได้เอ่อทีละขณะเท่านันใ ช, ใช่ใช่ใช่รู้ได้ทิละขณะการดูจิตไม่เหมือนการดูกายนะการดูกายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันได้เลยเรียกปัจจุบันขณะนะเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นคนดูอยู่แต่การดูจิตเนี่ยเขาต้องใช้คำที่เรียกว่าปัจจุบันสันปติไม่ใช่ปัจจุบันขณะเพราะอะไรเพราะจิตมัรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียว อย่างจิตดวงนี้กโกรธจิตดวงที่กโกรธเนี่ยจะมามีสติรู้ว่าตัวเองกโกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจิตที่กโกรธเนี่ยดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าโกรธเนี่ยเกิดตามหลังมาอีกดวงหนึ่งนะคนละดวงกันมันจะเป็นการใช้จิตเนี่ยไปดูจิตแต่ดูจิตดวงก่อนที่ดับไปสดๆร้อนๆก็คือเท่ากับว่าจิตดวงที่ดับไปเนี่ยเป็นตัวสอนใช่เป็นตัวสอนจิตที่เป็นคนรู้นี่เป็นนักเรียน แต่นักเรียนนี่หนี่เรียนบ่อยที่สุดเลยเชื่อไหมใช่ได้รครับการธรัมศึกษาครับได้นะฝึกก็เพิ่งรู้สึกว่าตัวเองนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เห็นความสําคัญของศาสนาพุทธก็ตอนที่เริ่มมาฝึกวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยเออต้องอย่างนั้นสิแล้วก็ตัวเองได้มีโอกาสได้ได้ไปปฏิบัติธรรมทางสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกเองที่บ้าน <c oughs> บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คราวนี้ก็ไปใช้ในชีวิตประจําวันฝึก <Ừ. S 1> รู้สึกตัวอารมณ์รั <Ừ. S 1> กโลคโกรธหลงนี่ครั <Ừ. S 1> ก็ฝึกก็รู้สึกว่าพอเห็นแล้วรคโกวธหลงแล้วทํำยังไงก็หายอย่างเช่นโกรธก็พอโกรธเสร็จก็หายเลยอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> พอกลับจะมาคิดว่าโกรธเรื่องอะไรก็จําไม่ได้เลยแล้วเ อ, อเชื่อมันสัญญามันดับไปด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเบาๆสบายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นเลยงรับตแต่ว่าคราวนี้ก็รู้สึกติดอยู่กับว่า รู้สึกว่าแค่นี้ตัวเองก็มีความสุขพอแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่มีกําลังใจพอที่จะปฏิบัติขั้นสูงขึ้นนะครับเห็นบางคนเขาอยากปรินิพานบางอยากเป็นโสดาบันอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็รู้สึกว่าติดอยู่กับแค่นี้มีความพอใจแค่เดีนววัคนอยากเป็นโสดาบันไม่ได้เป็นหรอกมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะรู้ไปอยอย่าขี้เกียจครับความสุขที่เราเจอตอนเนี้ยเล็กน้อย ความสุขเล็กน้อยครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมาบอกมันเหมือนเราจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะร่อนเร่เดินทางไปเราไปเจอแค่โอเอซิสอยู่นิดเดียวนะพอใจแล้วไม่ยอมไปต่องั้นเราเห็นความสุขเล็กเล็กน้อยๆยแล้วเราเสียดายเราก็ติดอยู่ตรงนั้นเไม่คนในโลกเนี้ยคนในโลกไม่มีแรงไปพรันิพยผ่านหรอกเพราะว่าติดอยู่ในความสุขเล็กเลกน้อยน้อยที่กิเลสมันหลอกเอาครับ yeah. อย่างมีเทคนิคง่ายๆในการหลอกล่อใจตัวเองหรือว่าอย่าไปหลอกมันเราเพไม่เคยเห็นใครหลอกกิเลสหรอมีแต่กิเลสหลอกเรานะให้รู้ทันไปสิอดทนไว้นะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความสุขเล็กน้อยแค่นี้นะเสียแรงเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านสอนธรรมะที่ยิ่งใหญ่วันนี้สอนความสุขที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราต้องไปให้ได้ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ไม่ได้อยากดูทีวีไม่ได้อยากฟังเพลงอะไรแล้วก็มีความสุขดี มันโอละลาไปนี่ความสุขนะมีความสุขอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยย้อนมาดูกายดูใจให้มากขึ้นนะพอจิตเนี่ยเรามาหัดภาวนาอยู่ช่วงหนึ่งมันจะมีความสุขน้ําจะว่างๆสว่างๆและความรู้สึกเบาๆกระจายออกไปรอบตัวพอจิตกระจายกระจายออกไปเนี่ยเรียกว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันไม่ถึงฐานนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองจิตช น, นิดนี้จะไม่เดินปัญญา ต, ต่อลนะ้ะจะติดอยู่ในความสุขความสบายเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อันนี้เอง ย้อนกลับมาดูกายดูใจถึงไม่ย้อนมาดูนะวันหนึ่งเจ็บป่วยหนักๆจะเป็นจะตายขึ้นมานะก็จะรู้สึกเสียดายเลยว่าไม่ได้ฝึกดูไว้ก่อนความสุขตัวนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงหรอวันหนึ่งก็แปลตรวนไปขอบคุณครับต้องสู้นะน้มัสการครับหลวงพ่อคือที่ปัจจุปัจจุบันปฏิบัติก็คือ ดูดูกายดูจิตพยายามให้ได้ปัจจุบันนะครับอืพอดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็จะเห็นกิเลสบ่อยนะครับมีกิเลสเกิดขึ้นบ่อยพอรู้ปุ๊บสักพักกิเลสมันก็เริ่มหายไปอืพอมันหายไปก็เลยสงสัยว่าจะทํายังไงให้กิเลสมันหา ย, สสยนะครับกิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสไม่มีเหตุกิเลสไม่เกิดถ้ากิเลสยังมีเหตุอยู่นะจะไล่มันก็ไม่ไปไม่ต้องฝึกเพื่อให้กิเลสหายนะ ฝึกจนให้เห็นเลยว่ากิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราระางกายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เรากิเลสจะเกิดไหมห้ามมันไว้ไม่ได้ครับมันเกิดบ่อยมากฮะเกิดบางทียิ่งเห็นบ่อยยิ่งดีนะนาะแสดงว่าสติเกิดบ่อยเหมือนเขาคุมเราอให้รู้เราถูกกิเลสครอบจุดให้รู้ทันนะแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยครับให้รู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไว้ครับยิ่็ตามดูตามดูไปเลยตามดูไปเรื่อยนะหามต่อไป นี่ตอนนี้ครุบเวลาไม่ได้เกินไปนหนึ่งนาทีอ่ะกลาวนมัสการกับพระอาจารย์คือหนูฟังซีดีของพระอาจารย์มาประมาณปีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ภาวนาพุดโทค่ะ อ, อยากให้พระอาจารย์ตรวจสอบว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าเห็นกิเลสบ่อยไหมบ่อยค่ะถ้าบ่อยก็ดีเห็นแล้วเป็นกลางกับกิเลสไหมบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นถ้าตอบถูกอย่างนี้สแสดงว่าดูจริงแล้วทําไงดีก็อตอนนี้บังคับตัวเองหรือเปล่า ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแบบกับบังคับคนล้อัานกันแอ บ, บกดนิดนึงค่ะเออตื่นเต้นเนี่ยห้ามไม่ได้นะค่ะเห็นไห ม, ม, มถ้าไม่กดอยู่กลัามันตื่นเต้นกว่า น, นี้ <ใจ S 1> ค่ะใจไม่ชอบยอมรับความตื่นเต้นไม่ได้ไหมใจปฏิเสธเนีย่ยรู้ทันใจของเรานะต่อไปเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางเรากจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเท่าเทียมกันหมดเลยนะฝึกให้ได้ตัวนี้นะค่ะ อย่างสมมุติว่าหนูภาวนาะพุทโธใช่ไหมคะ อ, มอย่างบางกีหนูพูดอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันยังไม่จบคําเลยค่ะเราใจมันใจมันไหลไปแล้วอะค่ะให้รู้นะว่าใจไหลแล้วพอโทแล้วมันก็ไหลวุบวุบวบุอย่างนี้อีกหนูเห็นถูกไหมคะเห็นถูกการภาวนาพุทโธรหรือการรู้ลมหายใจเนี่ไม่ใช่ทําเพื่อบังคับให้จิตนิ่งแต่ทําไปเพื่อเป็นเป็นเครื่องอาศัยรู้เท่านั้นเองคล้ายๆเป็นแลนด์มาร์คอะพุทโธให้เป็นแลนด์มาร์คเพราจิตนี้ไปจากตัวนี้ก็รู้ทันมันจะได้รู้เร็วเท่านั้นเอง กการที่เรารู้เร็วรู้เร็วนะไหลแว บ, บรู้แว บ, บรู้เนี่ยจิตจะค่อยๆเชื่องจะสงบลงมาสงบแล้วก็รู้อยู่ไม่ใช่สงบแล้วก็เพลิออยู่ตรงที่สงบแล้วรู้อยู่นี่ยะจะได้เป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาคะ่ะต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดี <laughs> ส่งการบ้านครั้งล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าให้หนูไปหัดโยนิโซมานาิกานะคะหนูก็ดูดู ก็เลยช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพยายามอยู่ในรูปแบบอะคะ่ะทั้งเช้าแล้วก็เช้าสวดมนต์ตอนเย็นก็สวดมนต์นั่งสมาธิอืแล้วถ้าอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยถ้าเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยบางทีก้าวก็พุโทโธแล้วก็ดูรู้ลมมั่งคือพยายามไม่อยู่กับพุโทโธก็อยู่กับการเคลื่อไนไหวอะคะ่ะให้ได้มากที่สุดขี้มโมโหไหมเป็นเ อ, อต่อไปนะพุโทโธไปหายใจไปก็โมโหอีกร่ลุยนะ รู้บ่อยๆอย่างนี้แหลแต่มันมีอะไรของพ่อโขกสับท์้เนี่ยโขกแล้วนะคือพุโทโธไปหายใจไปอะไรเนี่ยดีแล้วแต่ทําไปเพื่อจะรู้ทันจิตใจของเราเองะพุโทโธไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจโมโหมันขึ้นมารู้มันนะโมโหตัวเองอีกเนี่ก็รู้ตัวเองอีกหรือพุโทโธแล้วจิตหนีไป ค, คิดก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปพุโทโธแล้วมีความสุขไหม บางทีก็สุขแต่บางทีก็หงุดหงิดเออนะมันชอบหงุดหงิดทีนะ่สุดเพราะงั้นต่อไปนี้นะพุทธโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทธโธแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดถ้าพุทธโธแล้วมีความสุขก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆรู้ว่าอยากพุทโธแล้วหงุดหงิดนะอยากให้หายหงุดหงิดรู้ว่าอยากทําไมแต่ก่อนหนูรู้สึกฟุ้งซ่านมันมาบ่อยเดี๋ยวนี้หงุดหงิดมันมาบ่อยเหรอคะอา้าวเราภาวนาเก่งขึ้น งุญหงิดนี่นะเป็นกิเลสลดระดับลงนะฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่กิเลสอะ่ะเป็นตัวโมหะนะโทษาเนี่ยมันเป็นหลานโมหะอีกทีเป็นลูกของโลภะมีตระกูลมันนะบนรรพบุรดมันขึ้นทะเบียนไว้อย่างเงี้ยตอนนี้เราภาวนาดีขึ้นเราเริ่มเห็นความจริงแล้วแต่เดิมอะ่ะโมโหไม่ใช่ไม่โมโหแต่ไม่เคยเห็นเพราะว่ามัวแต่ฟุ้งเลยไม่เห็นว่าโมโห เออตอนนี้จิตดีขึ้นสงบมากขึ้นโมโหหน่อยหน่อยก็เห็นแล้วงั้นดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีคพ <eding. S 3> ยายามตอบไป <ul> อปตเองอข่างนครับนักปฏิบัติน่ะเยอดใหญ่ๆไม่ได้กินหรอกอกาเปลนพระอาจารย์ค่ะคือฟังซีดีของพระอาจารย์ก็หลายเดือนแล้วอะก็เ <c oughs> ลยลองปฏิบัติดูเกี่ยวกับดูจิตกับดูกายไม่ทราบว่าตัวลูกนี้ถนัดดูจิตดูกายเของตัวเองไหม ก็เห็นนะทำไงล่ะดูกายหรือดูจิตส่วนมากก็ดูจิตค่ะเอาอะไรก็เอาสักอันอะไรก็ได้เหมือนกันแหละแเราดูขนาดขนาดดูจิตหรือดูกายคะช่างคิดไหมก็ช่างคิดเอะถ้าช่างคิดก็ดูจิตไปดูเป็นเป็นหลักนะไม่ใช่ดูอย่างเดียวดูจิตเป็นหลักที่บางคนบอกว่าดูจิตแล้วจะไม่ดูกายนี่โง่โง่แล้ว สติมันจ ะ, ะระลึกรู้กายหรือสติมันะระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้นะบางคนบอกจะดูแต่กายไม่ดูจิตนี่ก็ไม่เข้าใจอีกแหละสติเป็นอน้า ต, ตาบางทีก็ะระลึกรู้กายบางทีก็ะระลึกรู้จิตแ ต, แต่บางคนนะถนัดรู้จิตมากกว่ามันก็ดูจิตได้บ่อยเห็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตได้บ่อยบางคนดูจิตไม่ออกก็ดูกายยืนเดินนั่งนอนไปด้วยแล้วแล้วเวลาลูกนั่งสมาธิอย่างคะ่ะคือชอบ หนีไปคิดตลอดเลยใช่นั่นแหละรู้ไวๆอยากให้มันคิดนานไม่ห้ามนะค่ะแต่ว่าพอดีไปคิดเรารู้ไวๆแค่คิดทีละชั่วโมงแล้วแล้วชอบพูดกับตัวแบบชอบพูดกับตัวเองในในความคิดแต่ว่าอ้าหนีไปคิดอีกแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่านักภากแล้วจะทํำยังไงคือจะไม่คิดค่ะให้ไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดจะฝึกให้เป็นต้นไม้เหรอเราไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะ เราฝึกให้เห็นเลยจิตทีคิดจิตก็คิดของคิดจิตเองเห็นไหมจิตไม่ใช่เราเราบังคับไม่ได้เนี่ยดูไปเรื่อยจะเพื่อให้เห็นใจรักไม่ใช่เพื่อไม่ให้คิดดูไป็นใจรักสิจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วเดี๋ยคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เห็นไหมหรือจะคิดหรือจะไม่คิดห้ามไม่ได้ดันดูเพื่อให้เห็นใจรักอย่างนี้รู้แต่ว่ามันเพิอไปคิดใช่ไหมฮะแล้วมันกะดับ มันไม่มีหรอกที่เกิดแล้วไม่ดับอ่ะอ่ะต่อไปการนัมมัชการค่ะก็ตอนนี้หันใหม่ๆอ่ะค่ะเวลาที่นมีสติอะค่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบข้างในมันสว่างขึ้นเอแล้วหนูก็เลยจับว่าเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดนะคะเหมือนจับตอนนี้ไม่คีย์เวิว่าเออเวลามีสติจะรู้สึกแบบนี้มันไม่จําเป็นเสมอไปพอฝึกไปนานนะมันไม่รู้สึกแบบ แต่เดิมเราอยู่ในห้องมืดตือเลยจุดไม่ขีดก้านเดียวก็สว่างแล้วะแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในห้องสว่างเงี้ยจุดไม่ขีดขึ้นมาไม่เห็นแล้ว<น>ไม่ได้เอาความสว่างมาเป็นเครื่องวัดแล้วที่หลวจปตวนมันทื่อๆอะคะ่ะเราอยู่ริเพ่งมันสิ อ, อยู่รเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปอยากรู้ตลอดเวลาแล้วถ้าไปเพ่งไปจอ้องอจิตย่อดทื่อๆแล้วที่หนูเคยส่งกันมากครั้งนี่แล้วอะค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าให้หนูหัดดู การขยับของหน้า อ, อกอะค่ะแล้วหนูก็ดูดูตามที่หลวงพ่อบอกแต่หนูมีความรู้สึกว่ามันมันติดเพ่งอะค่ะ อ, อติดเพ่งให้รู้ทันว่าเพ่งะก็คือทันว่าเพ่งไปไดออ้แล้วก็รู้ทันว่าไม่ชอบรู้ไปอย่างนี้แหละลรู้สภาวะทั้งหลายนะอย่างที่เขาเป็นแต่ถ้ารู้แล้วจิต ด, ดีให้รู้ทันจิตด ย, ยให้รู้ทันใช้หลักนี้แหละก็ะเล้วไม่ทันนะขอบค่ะ หนูใช้รูปแบบคือการเดินค่ะประมาณวันละสิบห้านาทีแล้วก็ดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวระหว่างวันก็พยายามดูไปด้วยค่ะแล้วก็ก็จะเห็นว่าใจเราคอยเผลอไปตลอดถูก้ะค่ะก็นอกจากนี้ก็อ่านธรรมะฟังธรรมะบ้างหนูพอน่าถูกแล้วนะจับต่อขอบคุณค่ะอ่ะหมดละตรงเวลาเลยเรื่องละ ลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณเกรียงไกรสื่อสุวรรณค่ะเจ้าภาพในวันนี้นะคะเป็นตัวแทนสาธุชนภายในสถานที่แห่งนี้ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยเพื่อถวายปัจจัยเครื่องทยธรรมแด่พระอาจารย์ค่ะปัจจัยหลวงพ่อมอบให้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรายการนะส่วนของนั้นได้ข่าวว่าคุณบันธิพาจะเป็นทอดผ้าป่า ก็เอาไปร่วมทอดผ้าป่าด้วยนะส <Bad. S 1> าธุรับพอนะจะได้เลิกนะยะถาวอริวะฮาปูราปริปูเรนตีสาครางเอวามีวาอิโตทินนางเปตานางอุปกปฏิอิชิตังปิติังทุมหังจิปเมวาสิมิตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปนณรโสยะถามณีโชติรโสยะถา สัพธิตโยวิวัตชันโตสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนสีลิสนิจังุทธาปจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพังไปแล้วนะ